ทั้งมาลภ์มาทั้งม่งส อุมไม่หนักุบะดาจากนั้นไม่ทุนอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺ i ัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอ ว ا ل ชดอั ل ลอฮ์อิลล้าอั حد ه ฮ์ شريك له ว่าชดอันมุฮั عبده ورسوله اللهم ب ك أصبحنا و ب ك أمسينا و ب ك نحيا و ب ك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق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 Allahu maafini في بدني وعافيني في سمعي وعافيني في بصري سبحان الله وبحامدي عدده خلقه و ر i ا ن ف س a r ز ي ن ة عرشه و م ي د a ن a ل م ا a t ا h س ل ا م عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนั่งมาธิุบฮหรืออีกภาษานึงเรียกว่านั่งมาธฟ ajar นะครับที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์เราขอบคุณ Allah سبحانه และ تعالى ภาษาที่ท่านนบีสอนก็คืออัลฮัมดุลิลลาห์เป็นภาษาที่ขอบคุณ Allah ที่งดงามที่สุดนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ Allahumma l a k a l s h u k a l l h a m d u a l l a h u m a l k s h u u l a k a l h a m d u แปลว่าการสรรเสริญ so ทั้งหลายเป็นของ a l l a และว ก, การขอบคุณทั้งหมดเป็ น, นขนอง Allah Subhanahu wa Taala ดวงเรยกว่าอั k h a r หลังนมาดสบเนี่ยมีทั้งหมด19บท ด, ด้วยกันาาเรียกว่า a z k ถึง Allah เรียกว่าอ z k h ั r ฟิสบะฮ์ a z k ตอนเชา้ากับอ z k h ั r ฟิลมาซา a z k h ถึง Allah ตอนเย็นตอนเย็นก็หมายความว่าหลังจากนมาดอัสรี จนกว่าดวงอาทิตย์จะตกให้รำลึกถึงอัลลอมีทั้งหมด19บทด้วยกันหนึ่งใน19บทก็ผมก็นํานำเสนอประมาณ 6-7 6-7 บทด้วยกันบทสุดท้ายที่นำเสนอก็คือสุบฮานอัลลอฮฺวะบิฮัมดิฮีอาดาดะลกิฮีวริดานัฟซิฮีวาซินะตะอรชิฮีวาบิดาดะกลิมัติฮีตรงนี้มีความหมายบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ุบฮานัลลอฮ มหาบอร์สุดยิ่งแต่ Allah อาดัดัคอลกิฮีเท่ากับจำนวนสิ่งที่ Allah สร้างมาในโลกนี้อัลฮัมซุบฮานัลลอฮฺวะบิฮัมดิฮีอาดัดัคอลกิฮีวาริโอนับสิฮีเท่ากับความพึงพอใจที่อยู่ในพระองค์วามิดาดัคัลิมาติฮีเท่ากับน้ำหมึก ที่เอามาบรรยายสิฟัติของอัลลอ์เนี่ยมาถึงน้ำทะเลทั้งหมดเจดมหาสมุทรน้ำสมุกบันทึกแล้วเนี่ยน้ำหมึกหมดแล้วน้ำทะเลหมดแล้วแต่สิฟัติของอัลลอ์ยังไม่หมดเลยนะครับทบฮานอัลลอฮวะบิฮามติฮิอาดาดะคอลติฮิวาริดอนับสิฮิวาซีน่อารชีฮิเท่ากับน้ำหนักของบลาลังอัลลอ์และเท่ากับจานวนมะคลุกที่อัลลอ์สร้างมา น้ำในมหาสมุทรเป็นเป็นน้ำหมึกบรรยายชีพใจของ Allah, ขอัลลอ์ก็ยังไม่หมดนี่เป็นการ zikrullah นะครับหลังจากนมาซุบอเนี่ยดูานี้นบีจะอ่านไม่ขาดให้ว่าสามเที่ยวก่อนที่จะลุกขึ้นออกไปกลับบ้านนะครับให้อ่านดูอาบนี้อัลฮัมดุลิลลาฮ์เป็นต้องขอบคุณอัลลอฮ์เราทบทวนอัลกุรอาน พร้กับความหมายกข้ามา น, นะครับเล็กๆน้อยๆอยไม่ใช่ละเอียดนะถ้าละเอียดนี่กับวละอายะก็ไม่ไหวแล้วเยอะนะเอาพอที่สามารถจะนําเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันครั้งที่แล้วเนี่ยเราทบทวนมาถึงอายะที่เท่าไหร่อายะที่12องายะที่11ที่ผ่านมาก็คืออายะที่สิ อุลาอิกะฮูมุลวาริูุอุลาอิกะฮูมุลวาริูุเหล่านี้พวกเขาเป็นพวกทายาทคำว่าทายาทก็คือสามารถที่จะรับมรดกได้แสดงให้เห็นว่าใครที่มีอัคลากใครที่มีสิ่ศักดิ์กี่ประคบทะเจ็ดข้ อ, นะขอ ท, ที่เรียนไปแล้วจากกุณอ่านนะข้อที่หนึ่งคือนามาต ด้วยท่าทางที่คูชั่วนำมาด้วยท่าทางที่คู่ชั่วสองรักษาเรื่องไร้สาระเช่นออกห่างเจอเรื่องไร้สาระออกห่างให้หมดเช่นดนตรีเสียงเพลงเต้นรำํำละครพยายามออกห่างเรารู้ว่าเราเนี่ยประชอบกันทุกคนนั่นแหละนะแต่พยายามออกห่างแล้วก็สามทำฝึกขจัด สิ่งสกปกที่อยู่ในหัวใจของมนุษย์ที่เอาลอแปะไว้น่ะเจดรายการขาจัดออกให้หมดไปซะเจดรายการมีอะไรบ้างหนึ่งชีริก 2. โออวด 3. เย่อะยิงนะครับโอหังทีซี 4. อิจฉาข้อ 5. เป็นศัตรูกันเกลียดชังกันไม่มองหน้ากันข้อที่หกแล้วโมก ข้อที่เจ็ดขี้เหนียวเจ็ดข้อนี้อัลลอฮฺแปะไว้นในหัวใจของมนุษย์ทุกคนฉะนั้นอย่าเอามาใชา้ต้องเอาอีมานเนี่ยอีมานศรัทธาหกหประการอีมานต่ออัลลอฮฺอีมานต่อมัลาอิกะอีมานต่อละซูอน อ, อีมานต่อคัมพีอิมานต่อวันอาเครอและอิมาณต่อกดกบอกอดานเนี่ยเอามาใชา้แล้วควบคุมอารมณ์เจ็ดอารมณ์นี้นะครับแล้วต่อมา อย่าทำศีนาอ๋อเรื่องใหญ่มากเพราะโอกาสจะทำดีนาในเมืองไทยเนี่ยเยอะมากนะครับทั่วโลกอะเปิดโอกาสให้คนทำดีนานี่ง่ายมากเดี๋ยวนี้ยิ่งมี Facebook มีโทรศัพท์มี l ล n e อันี้อะไรอีก <c oughs> มีชื่อใหม่ๆเยอะใช่เ <c oughs> ต็มไปหมดเลยเนี่ยเอออำนวยให้คนเนี่ยทำดีนาง่ายขึ้นต่อมาพูดถึงเรื่องนามา ให้นมาตเมื่อเข้าเวลากับอายาแรกให้นมาตด้วยท่าทางที่ขูช่วยอวักสุดท้ายให้รักษานามาตเมื่อเข้าเวลาพูดเรื่องนามาตสองครั้งครั้งที่หนึ่งกับครั้งสุดท้ายเพื่ออะไรเพื่อสอนให้เรานมาตแบบขูช่วยแล้วก็นมาตที่ดีที่สุดก็คือนมาตเมื่อเข้าเวลานะครับฉะนั้นเราเคยนั่งคุยกันอะไรกัน เย็นนมาซุโฮตเนี่ยกว่าจะนมาได้นาะบายสามโมงก็มีพยโยกมือก็ปรับปรับปรับปรับแล้วตัวจะหมดเวลาซะก่อนมีไหมมีเคยทันไปหมดนั่นแหละแต่วันนี้ไม่เอาแล้วอัสตัคตูรุลลอฉันจะนมาดเมื่อเข้าเวลานะครับมีทั้งหมดเจประการด้วยกันนะครับ พอใครทําครบเจ็ดประการแล้วเนี่ยในกุรอานสอนว่าไงนะอุลาอิกะฮูมุลวาดิซูพวกเขาเหล่านั้นแหละเป็นพวกที่จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกคาว่ามรดกเนี่ยมีสิทธิ์แน่นอนปฏิเสธไม่ได้ด้วยมรดกที่กุรอานกล่าวก็คืออัลลาีนายาริซูนัลฟิร์ดาวซาุมฟีฮาขอลิดูน มรดกที่เขาจะได้รับก็คือเป็นสวนสวรรค์ชื่อฟิลดาเส์ภาษาอังกฤษก็เอาไปใช้อย่างเนี้ยอะไรเนี่ยขังศีนักินเนี่ยขังสีคอนน่าดาดานี่แหละศัพท์นี้แหละาดาดากับฟิลด์เดะเหมือนกันนะแปลว่าสวนสวรรค์ในภาษาอุลนดกยกับเฟรโดสภาษาอุลโดว ก, กับเฟรโดส์เฟรโสมาถึงที่อยู่ในในสวรรค์ เอาภาษากุรานไปใช้กัน si er ้งหมดนะครับทีนี้อายะที่12ว่าล้ก็ด h e k u l น a h u n al i n s a ว والقد خلقنا الإنسان ال من سلالة من طين คอลักกนาแปลว่าเราได้สร้างว่าแล้วก็ดโดยแน่นอนยิ่งเราได้สร้างนะครับสร้างอะไรครับอัลอินสันสร้างมนุษย์อืมเรียกว่าอินสันอินสันจากรากตักเดิมนาซียาไปว่าลืม แปลว่าลืมแต่นี่มนุษย์เนี่ยมีนิสัยอยู่ข้อหนึ่งคือชอบลืมถ้าไม่ลืมก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วถ้าไม่ลืมจําหมดเครียดเรื่องที่ทําทำมาไว้เรื่องดีก็ดีใจหน่อยถ้าเรื่องไม่ดีเราเครียดฉะนั้นลืมเนี่ยเป็นนิสัยของมนุษย์นะครับว่าเรก็ดอคาราคุนันอินสันโดยแน่นอนยิ่ง เราได้สร้างมนุษย์มาจากอะไรครับมินสุลาละสุลาละแปลว่าแกนแท้สุดที่กองแล้วดินที่กองแล้วดินที่สะอาดที่สุดที่ดีที่สุดส่วนที่ดีที่สุดของดินเนี่ยมินตีนจากน้ำจากดินที่สอนให้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์มาจากดิน บางบางคนทําตัวเตะท่าโอหังนึกว่าสร้างมาจากทองแล้วมึงตลอดไปน้องมาจากดินใช่ไหมเนี่ยสอนพอเราอ่านกูอ่านเราคิดกูโอ้เรานี่มาจากดินแท้ๆนะแต่นี่ <c oughs> ชาวดวินคนยิวคนหนึ่งเนี่ยบอกว่ามนุษย์เนี่ยคืวัฒนาการมาจากลิงเห็นไหม ถูกวิ ว, กวัฒนาการมาจากลิงคือเป็นเป็นลิงก่อนมาเป็นคนคนที่หลังแล้วรูปรูปลิงกับรูปคนคล้ายๆกันนะเวลายืเนี่ยมีมือมีท่าเหมือนกั น, กนหลายคนก็เชื่อตามนั้นเพราะฉะนั้นขเขาต้องขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอ์ให้คุณอ่านมาสอนเราให้รู้ว่าถ้าเชื่อตามคุณอ่านนี่นะอัลฮัมดุลิลลาห์วะแล้วก็ดะคาราะนอินซานะ มินสุเลลติมมินตีนโดยแน่นอนยิ่งนะครับเราได้สร้างมนุษย์คนแรกครั้งว่ามนุษย์ที่หมายมนุษย์คนแรกคือใครครับนบีอาดัมอาดัยฮิสซาามาจากดินการสร้างของมนุษย์พูดบ่อยๆหน่อยการสร้างมนุษย์มีอยู่4แบบนะแบบที่หนึ่งสร้างอาดัมมาจากดินมีพ่อมีแม่ไหมไม่มีทุกคนยอมรับหมด ฝั่งกันนูนคนฝั่งกนู้นคนฝังนนน่งนี้ยับรับหมดเลยนะมาจากดินนบีอาดัมมาจากดินไม่มีพ่อไม่มีไม่มีมมแม่ข้อที่สองสร้างฮาวาไม่ใช่ฮาวะฮาวะนี่ชื่อตามกุณอ่านเรกาพดิษเลยนะฮาวะภรรยาของนบีอาดัมมาจากซี่โครงคือผ่านพ่ อ, อผ่านผู้ชายนะ อ, อ, อันที่สามสร้างนาบีอีซาเอลฮิสลามผ่านแม่ไม่ผ่านพ่ออาดัมไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่ฮาวะเนี่ยผ่านพ่อนบีอีสาผ่านแม่พวกเราวันนี้ผ่านพ่อแล้วก็ผ่านแม่แต่งไม่แต่งอีกเรื่องหนึ่งถ้าแต่งก็ถูกต้องตามหลักการถ้งแต่แต่งก็เป็นลูกหรือนาจะลูกซีนาเนี่ยเขาไม่ผิดนะผิดที่พ่อแม่ ามีภรรยาที่อยู่กันแล้วก็มาด้ผ่านการแต่งงานนะทีนี้ <c oughs> อัต้อายะต่อมาอายะที่สิบสอง <c oughs> อายะที่สิบสามซุมมาจัลนาหูนุตกาะฟตัมฟีกอรอริมมากีน สุ่มมาจ้าลนะฮูนุตฟต์ธรร قرار ิมมัมมกีอัล <c> ล <oughs> บอกว่าอัลลออธิบายนะอธิบายละเอียดเลยพี่น้องสร้างมนุษย์มาจากดินมาถึงมนุษย์คนแรกเนี่ยมาจากแกนแท้ของดินที่กรองแล้วนะครับ ข้อที่สิบสามข้อที่สิซุมมาจาลนาหูนุปฟะตัมฟิกรรริมมกินซุมมาจาลนาหูแล้วซุมมาแล้วไปขั้นเป็นตอนอ่านี่ขั้นตอนที่หนึ่ ง, ข, งขั้นตอนที่หนึ่งสร้างมาจากดินขั้นตอนที่สองซุมมาจาลนาหูนุปฟะและเราได้ทําให้เขาเป็นน้ําอสุจิ อัลลอฮฺอักบัดนี่อัลลอฮบรรยายให้มุสลิมคนที่อ่านกุรอานให้ท่านนาบีมุฮัมมัดอ่านกุณอ่านอายานนี้รู้เลยว่ามนุษย์นี่ถูกสร้างมาอย่างไงครั้งที่แล้วอธิบายไปแล้วว่าถูกสร้างมากี่ขั้นตอนนะเจ็ดขั้นตอนมนุษย์นี่ถูกสร้างมาเจดขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งมีนเลยนะมินตีนจากดินนะครับสุวรที่ดีที่สุดของดินนะครับ แกนแท้ของดินที่กรองแล้วนะขั้นตอนที่สองซุมมายาอานาหูนุตปะฟ้และเราได้ทําให้เขาเป็นเชื้ออสุจิอสุจิเนี่ยอยู่ที่ไหนจะสร้างลูกได้ฟีกรอรอลิน ม, มากินกอรอสแปลว่ามั่นคงกอรอรินหรือกอรอรุนแปลว่ามั่นคงนะครับมากิน ที่พักหือที่อยู่น้ําอสุจิเนี่ยต้องอยู่ในที่ที่มั่นคงที่สุดอัลลอฮ์สังเกตอัลลอฮ์ใช้ภาษาดีมากนะบางบางคำอัลลอฮ์ใชา้รอฮิมแปลไรนะหมดลูกแต่บางอายะเนี่ยใช้ให้นึกโอ้ฟีกรอริมมากรีอยู่ไหนสถานที่ที่พักอันมั่นคงเห็นยังให้มนุษย์อ่านกูอานได้ ใช่ปัญญาโอโลัลลอฮฺแสดงว่ามดลูกเป็นสถานที่ที่มั่นคงที่สุดจะสร้างลูกถ้าไม่พานอันนี้รอหิ้มรอหิมหรือสถานที่ที่มั่นคงมดลูกนั้นลูกเกิดไม่ได้มีคนถามว่าเอาน้ําเอาสุจิของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยรวมกันประเสนริไหนนะในหลอดแก้วทําได้ไม่ได้ทําได้แค่นั้นแหละ ผลสุดท้ายก็ต้องฉีกเข้าไปไงมดลูกเหมือนเดิมพออัลลอฮฺพูดในครัลกุรอานว่าถ้าจะสร้างคนเนี่ยต้องอยู่ในมดลูกเท่านั้นวันนี้พวกเยโฮดีพยายามศึกษาว่าถ้านอกมดลูกเนี่ได้ไหมพยายามมาหลายสิบปีแล้วไม่สําเร็จครับต้องสําเร็จอยู่ในมดลูกเท่านั้นฉะนั้นมดลูกนี่นะถ้าน้ํำอสุจิของใครก็ตาม ไปวางไว้ในมดลูกของผู้หญิงไม่ใช่เป็นสามีกลายเป็นเด็กซีนาแค่นั้นที่ชี้น้าอสุจิของผู้ชายก็ไปในมดลูกของผู้หญิงถ้าไม่ใช่สามีนะนั่นเป็นฮารอมหมดเลยเป็นซินาหมดเลยเป็นบาปทั้งหมดผู้หญิงรับรับผิดชอบหนักแค่ น, นั้นอย่าให้น้ําอสุจิของผู้ชายคนใดถูกวางไว้ในมดลูกของนางถ้าไม่ผ่านการนิกายให้ถูกต้องก่อนนะครับ ขั้นตอนที่สามนะครับซุมมาคอลากอนานูโตฟาตาละก อ, อันนี้ขั้นตอนที่สองก่อนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งสร้างมนุษย์มาจากดินขั้นตอนที่สองซุมมาคารากอนานนุตฟาเราได้สร้างนะครับให้เชื้ออสุจินั้นเติบโตเป็นก้อนลอะกอแปลว่าก้อนเลือดแล้วจริงไหมจริงครับ อล๋อจะเป็นก้อนเลือดแต่จริงไม่จริงบุคิลมุสลุมุผู้หญิงทุกคนอ่ะถ้าก้อนเลือด น, นี้แตกก็กลายเป็นประจำเดือนถ้าไม่แตกเดี๋ยวกลายเป็นที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดเ็การเป็นมนุษย์สมบูรณ์ออาแล้วก็ก้อนเลือดครับถ้าก้อนเลือด น, นนี้แตกประจำเดือนก็มาถ้าประจำเดือนไม่มานี่เป็ น, ป อ, น, น, ปนอาลามะให้รู้ว่าผู้หญิงจะท้องหรือไม่ท้องอยู่ที่เลื อ, อดอราหัมอยู่เลยละเอาต่อมาข้าว่านน้ำอสุจิเป็นอย่างนี้ มีวันหนึ่งท่านนาบีนั่งอยู่กับบรรดาสหาบะาแล้วก็ท่านนาบีนั่งอยู่กับสหาบะาแล้วมีคนยิวคนหนึ่งเดินผ่านนาบีพอเดินผ่านนาบีแล้วก็คนอาบมุชริกีนเดินกับคนยิวสองคนเดินมาแล้วเห็นนบีกับสหาบ้านนั่งอยู่ที่มสัสยิดเขาบอกอาบคนนี้ก็บอกว่านี่ยิวมุฮัมมัดที่นั่งอยู่ตรงนี้เขาประกาศตัวเขาอ้างตั ว, วเขาเป็นนบี เขาอ้างตัวว่าเป็นอะไรนะเป็นนบีนี่คนอาดับมุสริมบอกกับคนยิวคนยิวก็บอกว่าฉันจะถามเขาฉันจะถามปัญหาเขาสักข้อหนึ่งถ้าเขาเป็นนบีเขาตอบได้ถ้าเป็นไม่ใช่ถ้าไม่ใช่นบีตอบไม่ได้ก็เดินเข้ามาเลยมาถึงก็ามาถามว่ า, วามนุษย์ อ, อิน้านเนี่ยสร้างมาอย่างไง ยิวถามเพราะยิ้วอ่านกัมภีร์ตารอ้อนยาบูตอินยืนมาแล้วใช่ไหรู้หมดเลยว่าการสร้างคนมีมาอย่างไงอย่างไง ร, รู้หมดก็มาถามนาบีมุฮัมมัดสุลตา ว, ว่ามนุษย์ถูกสร้างมายัางไงนบีตอบนบีบอกว่ามนุษย์ถูกสร้างมาจากน้ําอสุจิน้ํำอสุจิของผู้ชายเนี่ยจะเข้มน้ํำอสุจิของผู้หญิงเนี่ยไม่เข้ม อสุจิของผู้ชายสามารถสร้างกระดูกอสุจิของผู้ชายนี่นะสร้างกระดูกกับสร้างอะไรนะกล้ามเนื้อเอาลสองรายการเนี่ยในร่างของมนุษย์นะที่มีกระดูกและกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นอสุจิส่สวนน้ำของสามีของผู้ชาย ส, าส่วนน้าอสุจิของผู้หญิงนั้นสร้างเนื้อเนี่ยละหัมเบวร์เนื้อกับสร้างอัดดุสร้างเลือด สร้างเลือดกับสร้างเนื้อเป็นอสุจิของภรรยาอาสุจิของสามีสร้างสองอย่างอะไรนะสร้างกระดูกกับสร้างกล้ามเนื้ออะไรทมได้ละ่ะเพราะฉะนั้นในร่างกายของมนุษย์มีสําคัญสําคัญอวัยวะที่สําคัญจะมีกระดูกใช่ไหมไม่ใช่ใครเราเป็นกระดูกทุนแล้วเป็นไงเ จ, นนเจ็บนู้นเจ็บนี่อ๋อว่ากูว่าแล้วก็กล้ามเนื้อนี่มาจากน้ําอาสุจิของผู้ชายนะ กระดูกนะหน้ามดสุตร ข, ของผู้ชายไอส่วนของผู้หญิงก็คือสร้างแรงเนื้อละหัมอั ด, ดัมมดเลือดสองรายการอันนี้เรตัฟซิด ท, ทั้งหมดเลยไม่ต้องพึ่งฝรั่งเลยไปน้องอ่านตัฟซิดอ่านฮะดีสให้เข้าใจในเป็นภาษาอรับนะเดี๋ยวนี้แปลเป็นภาษาอุนดูก็เยอะเป็นภาษาอังกฤษก็เริ่บแปลก็แล้วไปน้องอ่านตัฟซิดนี่แหละเข้าใจไม่ต้องพึ่งฝรงั่งก็เข้าใจคุรานเลยหัมอยู่แล้วและเข้าใจโลกด้วยไปน้อง อ่าตัวล้วว่าอสุจิมีบางคนถามผู้หญิงไม่มีอสุจินะบิวถ้าไม่มีน่าจะเหมือนเมแม่ยังไงอ่ะถ้าถ้าน้ําอสุจิของผู้หญิงไม่มีแหละลูกจะเหมือนแม่ได้ยังไงนั่นนะบางทีก็เหมือนแม่บางทีก็เหมือนพ่อบางทีผสมกันในร่างมีสี่ห้ามียากมีโต้มีมีแชร์มีอยู่ในร่างเดียวกันนี่แหละอลอเะร์จานไว้สวยมากจริงๆเนี่ยไปนัดกันหลายครับนะเอาต่อมาครับ ثم خلقن النطفة <سؤال> علاقة، فخلقنا العلاقة مضرة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام ل ح م ا ثم أنشأناه خلقا آخر. فتبارك الله أحسن الخالقين ثم خلقنا نطفة ع ل َ ق ة فخلقنا ا ل ع ل َ ق ة مضرة فخلقنا ا ل م ض َ ة عظاما ف ك س و ن ا العظام ل ح م ا ثم أنشأنه خ ل ق ا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ยยอันลอฮฺลลอฮฺอัลลออัลลอฮอสลลอฮฺอัลลอฮอัลออัลลอฮฺอัลลอฮฺัลลอฮอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอัลนอฮฺอัอฮฺอรลลอฮัลลอฮฺอัอัลลอฮอัลลอฮฺอัอฮฺาัลลอฮฺอัลลออัลลัอ มนุษย์ถูกสร้างมากี่ขั้นตอนนะเจดขั้นตอนกว่าจะมาเป็นคนได้นี่ต้องผ่านมาแล้วเจขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งอายาที่11บนะที่ส2อนะอัลล์สร้างมนุษย์มาจากดินนั่นมาถึงนบีอาดัมคนแรกต่อมาครับซุมมาจุคลักรนนุตฟะเราได้สร้างให้ให้จากจากดินนี่นะเป็นเชื้ออสุจิ เาเติบโตอยู่ใ น, ในมดลูกเนี่ยใช้เวลาเท่าไรนะครับในฮัดิสอื่นอายาอื่นอธิบายกันนะเก้าเดือนหกเจ็ดแปดเก้าสี่เดือนนี่แหละบางทีก็เจ็ดเดือนคลอดแล้วแปดเดือนคลอดเก้าเดือนคลอดแต่มาส่วนใหญ่ประมาณเจ็ดแปดเดือนแท น, นผู้หญิงที่ท้องท้องแล้วก็คลอดออกมาระหว่างหกเดือนนันนะ แค่แล้วว่าเป็นลูกของผู้ชายคนนี้เข้าใจนะเป็นลูกของผู้ชายคนนี้โอเคเอาละต่อมาครับซุมมาคารกนันนุตฟตาลอาอะกออัลลอฮฺได้สร้างเราได้สร้างจากเชื้ออาซูจิเป็นก้อนเลือดนี่ขั้นตอนที่สองต่อมาครับฟาคารกนันลาละกอมุดรอ และเราได้สร้างก้อนเลือดเป็นก้อนเนือ้อมุดหรือว่าเป็นก้อนเนือ้อพี่น้องพี่น้องเคยกัดเนื้อใช่ไหมเราเอาเนื้อมาดูไหมพอเคี้ยวเคี้ยวแล้วเนี่ยนะนั่นแหละเนื้อที่เคี้ยวแล้วนะ่ยเหมือนมุดล้อเลยแหละมดลูกที่อยู่ในท้องผู้หญิงเหมือนก้อนเนื้อที่เรากัดกัดกัดกัดใช่ไหมก่อนที่จะคืนลงไปนะี่ยเหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันนะครับ ฟะคาระกนัลมุตุกตาอิรมาและเราได้ทำให้ก้อนเลือดให้ก้อนเนื้อนั้นมีอิร้อมแปลว่ากระดูก Akbar, อัลลอฮฺอักบัดอิอมแปลว่ากระดูกนะกระดูกถามว่ากระดูกเนี่ยมาจากอาสุจิของใครของผู้ชายอพอมีกระดูกเรามีกล้ามเนื้อในของของเป็นส่วนของของผู้ชายทั้งหมดต่อมาครับ ฟากาซานาไล่กอมะลาห์มาและเราได้ให้ได้หุ้มกระดูกระซานาแปลว่าหุ้มกาซาแปลว่าสวมใส่กาซานาเราได้สวมใส่ใส่เสื้อผ้าเรียกว่ากาซาทั้งหมดไปหุ้มอยู่ไปห่ออยู่อัลลอฮ์ให้ให้เนื้อ น, นะครับถูกหุ้มโดยไรนะ ให้กระดูกถูกหุ้มโดยเนื้ออิยรอมแปลว่ากระดูกนะครับอิยรอมกระดูกละมุนแปลว่าเนื้อนะครับให้กระดูกหุ้มเนื้อไม่ใช่สิให้ให้เนื้อหุ้มกระดูกนะครับพี่น้องเอาต่อมาครับซุมมานชะนาฮูคอลกอนอาฮ์รแล้วเราได้ให้แล้วเราได้สร้างอัลลอฮฺอักรัต ได้สร้างหรือเราได้ทํ า, า, าให้เขาเกิดมาอันชาณาให้เขาเกิดมาค้อลก้อนแปลว่าการกําเนิดอาคอตกํากเนิดอีกอย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่งพอสร้างจากดินนี่ขั้นตอนที่หนึ่งสร้างจากดินเสร็จแล้วก็ข้ามมาจากน้ำอสูจิอันที่สามก้อนก้อนเลือดนะครับ อันที่หนึ่งดินอันที่สองน้ำมัสติอันที่ 2, าสามก้อนเลือดอันที่สี่ก้อนเนื้ออันที่ห้ากระดูกอันที่หกอะไรนะเนื้อหุม้มกระดูกนะครับุมาัชาูคอน อ, อันอันอันที่เจ็ดเนี่ยเราได้สร้างให้เขาเกิดมาเป็นอีกกำเนิดหนึ่งหมายถึงตรงนี้มีคำอธิบายอย่างนี้ <c oughs> คนกัตสัตว์เนี่ยไม่เหมือนกัน คนกับสัตว์เนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาน่ยเป่าวิญญาณให้นะเหมือนกันแต่วิญญาณมาจากไหนอย่าลืมนะวิญญาณของคนเนี่ยนะวิญญาณของคนทุกคนที่อยู่บนโลกดุนยาไปนี้อัลลอฮ์สร้างหลังจากสร้างนบีอาดัมแล้วอัลลอฮ์เอาอะไรนะเอาพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยลูกที่หลํานบีอาดัมวิญญาณออกมาหมดเลยลูกสองทีวิญญาณ ขขาสาดรูปอิทีนึวิญญาณดำสกรปรกก็แสแดงให้เห็นว่ามีคนอยู่สองกลุ่มคนฝั่งคนนู้นกับคนฝั่งคนี้ <c ười> คนที่เอาศ า, ศาสนากับ ค, AH, คนที่ไม่เอาศาสนาคนที่เอาอัลลอฮ์กับคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์ได้เรียกประชุมวิญญาณทั้งหมดนั่นแหละตั้งแต่คนแรกจนกระทั่งก่อนวันกิยามะหนึ่งวันนี้นะครับคนสุดท้ายที่เกิดมาเนี่ย อัลลอฮ์เรียกวิญญาณประชุมบนเลยในกุรานอายะอื่นอัลลอฮ์าถามใ้ที่ประชุมบอกว่าอะลัสต um ุบิรอบบิคุมฉันนี้ไม่ใช่เป็นพระผู้อภิบาลของพวกท่านดอกหรือเราถามกรับถามวิญญาณนะก็รูวิญญาณทุกดวงตอบว่าบาลาใช่แล้วท่านนั้นเป็นพระผู้อภิบาลของเราทําไมละกันทำไมวิญญาณยอมรับว่าอัลลอฮ์มีล่ะ พระวิญญาณเห็นอัลลอฮ์เพราะวิญญาณเห็นอัลลอฮ์แต่นั้นวิญญาณของเราเนี่ยยอมรับในอัลลอฮ์แล้วว่าอัลลอฮ์มีจริงวันนี้วิญญาณถูกเป่าลงไปอยู่ในร่างของเราพอถูกเป่าในร่างปั๊บเนี่ยนะอัลลอฮ์ให้เอาวัตถุมาแทนไม่เห็นอ<ม>ัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์อยู่ข้างหลังอัลลอฮ์บริหารทั้งหมดในตัวเราเนี<ม>่ยอัลลอฮ์บริหารหมดเลยแต่มองไม่เห็นอัลลอฮ์ก่อนที่จะถูก เป่าในเข้าไปในร่างเนี่ยวิญญาณเห็นอัลลอฮ์บนดุงยาไปนี้วิญญาณมาเห็นอัลลอฮ์ครับลองตายอยู่สิตายเห็นอัลลอฮ์เลยอีกเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นมาลายกาเนี่ยลองตายอยู่สิเอาพิสูจน์ด้วยตายเล่นก่อนไม่ได้เพราะตัวตายจริงกันในถึงตายาาก็ที่อาจารย์มุสยานเสียชีวิตไปแล้วอินนาริแล้ลวอินน่าอินไลฮิรออยาะมลฮัมมัดิลลัล ค, ความตายเนี่ยรอกาหนดนะอหัวอากาศบานไม่มีใครอยากตายสักคนหนึ่ง จะจะอธิบายเรื่องความตายหลังจากอธิบายอย่างนี้นะครับเอาอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาหนึ่งจากดินเป็นเจ็ดเจดเจ็ดขั้นตอนนะสองจากน้ำมามสุจิสาจากก้อนเลือด4ก้อนเนื้อหสร้างกระดูกนะครับหเอาเนื้อหุ้มกระดูกเจ็เป่าวิญญาณลงไปนะครับพี่น้องเมื่อเป่าวิญญาณลงไปแล้วแถบพี่น้อง วิญญาณสัตว์กับวิญญาณของมนุษย์ไม่เหมือนกันวิญญาณของมนุษย์ถูกสร้างไว้ก่อนแล้วส่วนวิญญาณของสัตว์นั้นเอาล็อก็เป่าลูกบาห้แล้วให้อยู่แล้ ว, ลวสัตว์กับคนจะสร้างเหมือนกันนะอยู่ในมดลูกเหมือนกันจ ะ, จะน่าเบอร์สุจิเหมือนกันนะครับจากดินเหมือนกันแต่วิญญาณคนละอย่างกันนะครับอธิบายวันหลังนะครับ <c oughs> ทีนี้มันมีอยู่คืนหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งไซนาอู ม, มาสเล่าให้ฟัง ท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสเล่าอย่างนี้ไซนาอุมาร์เนี่ยถามสัฮาบา น, นาบีนั่งกันเต็มมัสยิดนี่นะนั่งคุยกันไซนาอุมา์ถาม ว, าว่าพวกคุณรู้ไหมนบีเนี่ยสอนคืนไลโอตุลก้อดรีเดี่ยวเมื่อไรในเดือนบบนะดรนเนี่ยคืนไหนทุกคนตอบว่าวันลอห์าอาลัมอัลลอฮ์เท่านั้นที่ทรงรู้ดียิ่งไม่มีใครรู้สักคนหนึ่ง พอตอบเสร็จไม่มีใครรู้มีอยู่คนหนึ่งชื่ออิฟนออัลบาสตอนนั้นยังเป็นเด็กๆอยู่ยังเล็กๆอยู่เลยอายุไม่กี่คัวรประมาณสิบสองถึงสามวบเป็นนั่งอยู่ในมัสยิดด้วยท่านก็บอกว่าฉันรู้ว่าน่าจะเป็นคืนเท่าไหร่ถ้าบอกว่าคืนที่ยี่ยี่สิบเจ็ดคืนที่ยี่ยี่ิบเที่เราที่เรา ก, ากากากันอยู่ตอนนี้นะท่านอิบนออัลบาสตอบว่าไง ใช้คงถามว่ารู้ได้ยังไงเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเอาลอสร้างมาถลายนะเจ็ดขั้นตอนที่หนึ่งแผ่นดินเอาลอสร้างมากี่ชั้นนะเจ็ดชั้นชั้นฟ้าทลาเจ็ดชั้นนี่ยสามแล้วนะอาหารของมนุษย์มีอยู่เก็ดเลยนะเจ็ดอะไรกันเอาสี 4, 4ข้าง4 7 2เจ็ดยี่สิบปดกอน คืนวันที่27่ส็ดยีดนั่นแหละเป็นคืนไ ล, ล่เตุลกอนด็ีทุกคนนั่งงงหมดเลย อ, ลอ๋ออิบลามอาบานเนี่ยเอาความรู้มาจากไหนมนุษย์ถูกสร้างมาจะเจ็ดรายการแผ่นดินเจ็ดชั้นชั้นฟ้าเจ็ดชั้นอาหารของมนุษย์เจดรายการเอาหลองหารก็ต้องบวกกันด้วยเท่าไหร่ยี่สบเจ็ดยีดชั้นว่าคืนที่27แน่นอนเป็นคืนไ ล, ล่เตุลกอดรีอัลลอฮฺให้ไหม่เป็นอ่างนี่ไง คนอ่านกุรอานและใช้ปัญญาอัลลอฮ์จะผูกพันกับอิสลามตลอดเวลานะอาทีนี้ขอทบทวนใหม่ภาษาอุดุอธิบายอย่างนี้อินซานกีร์กะซะซาจีแร่อาหารของมนุษย์น oh <cards>. ั้นอ an ัลลอฮ์จัดไว้เจ็ดรายการในกุรอานอาบัสซาวะตะวัลละนี่นะอัมมะยะตะซาอาลูนฟาอัมบัดนาฟีฮะฮับบะวะอินะบะวะกัตบะ ว่าใจต้นน้ำว่าน خلة ว่าผลไมกุหลาบว่ฟักขึ้ต้นว่าบ่าทั้งหมดนี้แปดรายการแต่ของมนุษย์เจ็ดของสัตว์หนึ่งอะไรบ้างครับฟ้อัมบัตนาฟีฮาฮับบาเราได้ให้เมล็ดเมล็ดพืชเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาครับเนี่ยบางคนกินเมล็ดพืชจะกินได้ใช่ไหมอะไรนะใช้เรากินจิ้มมันอย่างที่กินน่ะ เม็ดตังโมเห้ไหมโอ้ขายดิบขายดีเห้ไหมมาเล็้พืชเอ้าเอ า, เอาต่อมาอ้ดาบุลอางุนอัลลอฮฺอักบัติอย่างแพงเลยนะต่อมาครับพืชผักนี่ไงที่เรซื้อกันตามต ล, ตลาดเนี่ยพืชผักไสตูน้ำมันมะกอกแพงที่สุดผมอ่านจากภาษาอุรดูนี่นะไสตูเนี่ไม่ใช่กินอย่างเดียวเอามานวดทนวด ต, ตัวด้วยเอามานวดตัวด้วยอัลลอฮฺอักบัต ท่านนึงเลยทำให้ร่างกายแข็งแรงอล่อนะไม่ใช่กินอย่างเดียวนะกินอย่างต้มก็มีอย่างอย่า ง, อ ย, างอย่างทอดก็มีอย่างกินเปลา่ปลาเก็มีเอามานวดตัวก็มีแล้วก็เรื่องไส้ตูนนี่นะน้ำมันมะกอกใครบริหารมุสลิมบริหารดูครับในแอฟริกาในแถบแถบแอฟริกาทั้งหมดมุสลิมบริหารเรื่องน้ามันไส้ตูนทั้งหมดนะที่ส่งส่งมาขายที่เมืองไทยนะฝีมือมุสลิมทั้งหมดนะ นะครับไสตูนน้มันมะกอกต่อมาอินทผลัมแล้วก็ว่าฮาดาอีกขั้วบารสวนนะครับที่ขึ้นต้นไม้ขึ้นทึบนั่นแหละเป็นอาหารของมนุษย์เกือบหมดวา่าฟ้าที่หแล้วก็ผลไม้ในข้อที่7ดนะข้อที่8ดอับบาเบาวาญาญานี้สําหรับอะไรนะสําหรับสัตว์ที่อลัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ห้ามดูลีเลยฉะนั้นอีฟนอาบบาสเอาอย่างละเจดละเจดละเจ ด, เจดสรายการนี้ มาคูณกันแล้วได้เป็นยี่สิบเจดหรือยี่สิบปดนั่นคือคือคนไลลตุลกอดดรีนี่ซอ บ, บ้า น, นาอับดุิดอัลลอฮุอะลักอบดุาต่อมาครับที่ต้องสังเกตนะคนอื่นมีส่วนสร้างช่วยอัลลอฮ์ในการสร้างไหมคนอื่นน่ะนอกจากอัลลอฮ์มีไหมสังเกตดูดูัพนะภาษาอุดู u อธิบายลเอียดซุมมาคาลากนวนนุตุฟะ ขอลักนาเนี่ยเราได้สร้างอัลลอพูดย้ำไปย้ำ ม, มาสามสีเที่ยวขอลักนาเราได้สร้างฉันจะสร้างมนุษย์ฉันสร้างอสุจิฉันสร้างนูนสร้างนี้พูดย้ำไปย้ำ ม, มาให้รู้ว่าคนอื่นไม่มีส่วนในการสร้างเลยอัลลอฮฺสร้างแต่เพียงผู้เดียวอา้าวต่อมาอีกสับอีกคำหนึง่งฟะซุมมาจาลนาเราได้ทําให้มันเป็นเห็นไหม ใครยานนาะเราทําคนอื่นมีไหมไม่มีอ่ะต่อมาอีกฟากาซาวนาเราได้เอาเนื้อเนี่ยหุ้มหนังไอ้หุ้มุมกระดูกใครทําฟากาซาวนาเราเป็นคนทำเห็นยังครับให้มนุษย์ใช้ปัญญาเอาฟาคอลั ก, กนานะเราสร้างพูดหลายครั้งนะขอลักนาะขอลักนาะขอรักนาะแล้วพูดอีกซุมมาญาลนาและเราได้ทําให้เขาเป็นอันลลอฮฺ สุมมากระซาวนาะและเราได้ห่อเขาได้หุ้มเขาเอาเนื้อมาหุ้มกระดูซุมมาอั้นชะนาะหูและเราก็ได้ทําให้เขาเกิดมาอีกรูปแบบหนึง่งเราทั้งหมดไม่มีคนอื่นเลยไม่มีตัวตะเกียรช่วยสักนิดหนึ่งไม่มีตัวระยองช่วยสักนิดหนึ่งไม่มีผ้าเขียวผ้าแดงจิงจบไม่ได้ช่วยอัลลอฮ์สักนิดหนึ่งฉะนั้นทำไมต้องไปพึ่งสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นี่เป็นข้อเตือนใจที่ดีนะพี่น้องนะขอลักนาะขอลากนาะพูด ซ้ำไปซ้ำนาสารู้ว่าบาร์บาร์บาร์บาร์พูดบ่อยบ่อยแต่ต่อมาจะอันนะ้าเราไป็คนทําซุมมากะเซ้านะเราได้หุ้มห่อเขาก็ร่วมห่อกระดูกด้วยได้ด้วยเนื้อซุมมาอันชะหน้าหวัวเราก็สร้างเขาอีกรูปแบบหนึ่งเราทั้งหมดไม่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเลยอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องเปล่าไม่มีเลย แค่นั้นไม่มีใครยาหูดีก็ามาเกี่ยวข้องในการสร้างของอัลลอฮ์แม้แต่ น, นิดเดียวอัลลอฮ์รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะครับคําว่าคอแล้วก็อธิบายคอนแล้วก็คอแล้วก็เนี่แปลว่าเนเรมิตรคอแล้วก็แปลว่าอะไรนะสร้างโดยไม่มีแบบแผนอไม่เลียนแบบใครเลยอ <laughs> ะฟา <laughs> ตราตรอก็เหมือนกันฟาตารอคอแล้วก็ยาอัลละศัพคล้ายๆกันแต่คอแล้วก็คําเดียวแปลว่า สร้างโดยไม่มีแปลนแตนี้พวกเราบางกลุ่มพูดว่าเนเมื่ออัลลอฮ์สร้างแบบไม่มีแปลนเรียกในภาษาแบบบินอาบินอาขอิบดะอิบดะก็เหมือนกันไปแล้วนะสร้างโดยไม่มีแปลนทําทําบินอาอิบดะอีจาดอัครมีสร้างโดยไม่มีแบบแบบแบบมนุษย์บางคนพูดอางนั้นนะในเมื่ออัลลอฮ์ทำบินอาได้เราก็ทําบินอาตามอัลลอฮ์ไม่ดีหรออ้าว ออกไม่ได้ยังไงวะนี่เก่งมาดูเลยนะในเมือ่ออัลลอฮ์ทาบินอาร์เราก็ทําบินอาตาม Allah อัลลอฮ์เอาี่น้องท่านในศาสนาเนี่ยให้ทําตามนาบีอย่าบิดอาเองอย่าคิดเองไม่ได้พี่น้องอัลลอฮ์บอกในะรู้ว่าฉันสร้างฉันฟ้าไม่มีแปลนฉันสร้างฉันฟ้าไม่มีแบบไม่เอยเลียนแบบจะใครมาก่อดทั้งสิ้นนะไปน้องอต่อมาครับอัลลอฮ์สอนให้เราคิดนะ ฟตบารักอัลลอฮ์ฟตบารักอ ال ัลลอฮุอัลสันุลคอรกินตาบารักแปลว่าความจริญยิ่งความจำเริญยิ่งแด่อัลลอฮ์ฟาตบารักอัลลอฮ์ความจเริญยิ่งแด่อัลลอฮ์นี่เป็นการสารสรเสริญอัลลอฮ์ชมอัลลอฮ์นะครับ อัซานุลคอลิกีนอัซานแปลว่าดีเลิศประเสริฐเลิศยิ่งเลิศอัลลอฮ์ผู้ทรงเลิศอัลคอลิกคอลิกแปลว่าผู้สร้างอัลลอบัฺอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างที่ดีที่สุดอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างที่ประเสริฐที่สุดอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างที่เลิศที่สุดไม่มีใครสร้างเหมือนอัลลอฮ์อีกแล้วเห็นไหม อันทีนี้มนุษย์เนี่นะเป็นสิ่งถูกสร้างที่อัลลอ์สร้างมาสวยที่สุดใช่หรือไม่ใช่รู้ได้ไงก็จุรู้รู้จากคุณอ่านนั่นแหละอ้าวคุณอานอายาไหนวะล้ก็ดะฮ์ลกคุณัลอินซาณฟิอาฮ์ซาเนตักวีเนี่ยตรงนี้ไงเป็นอายาที่บอกให้รู้ว่าแท้จริงเราเนี่ยอัลลอ์สร้างมนุษย์มาในรูปทรงที่สมส่วนยิ่งที่สวยยิ่ง มนุษย์เนี่ยแต่หมาไม่ชอบพอเห็นมนุษย์เห่าทุกทีเห็นไหมแต่เราเห็นหมาเนี่ยแล้วว่าหมาสวยนะเดี๋ยววันนี้หมานี่มันมันมั น, ม, น, ม, นมันต้องแก้น่ะดูสวยนะพอใส่เนสวยไหมเอาหมามนานุ่งผ้าเนสวยไหมไม่ได้สวยตรงไหนเลยของที่อัลลอฮฺให้มานี่เป็นน้องสวยหมดแต่มนุษย์ลงแก่ผ้าจยที่ไม่สวยเลยนะพอใส่เนี่ยอัลลอฮฺเรียบบางคนใส่เสื้อผ้าตะกรบุด ม, ม, มีไหมมีไอ้ระวังตะกรบุดอัลลอฮฺแปะไว้ในใจนิดเดียว ใส่เส e> ื้อผ้ากตกาบุตโอหังอวดดีอัลลอ์พี่น้องฉะนั้นก่อนจะใส่เสื้อผ้าให้อ่านดูว่อ่านบาดูว่าบิสมิลลาฮิอัลฮัมดุลลลาฮกสานีบิฮิอัลลอตวาอะตัจัมมัลุบิฟิฮายาตินั่นก่อนจะใส่เสื้อผ้าให้อ่านดูอาขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาฮูอะตัดจัมมั ซุมมาอินนักุมบัดดาลิกะละไม่ทุนซุมมาอินนักุมบัดดาลิกะละไมตทุนหลังจากสร้างมนุษย์เป็นคนสมบูรณ์แล้วเป่าวิญญาณแล้วพี่น้องพอ เ, นะพเป่าวิญญาณเสร็จแล้วเป็นไงครับก็มีชีวิตชีวาบนโลกนี่ ผลสุดท้ายไปไหนครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราให้สู่เจ้าต้องตายอัลลอฮุซุมมาอินนะกุมหลังจากกำเนิดเป็นลำดับอย่างมหาสารแล้วบะดาลาลิกหลังจากนั้นอยู่บนโลกดุนยานี่กกี่วันแค่สองชั่วโมงถ้าคิดวันละหนึ่งพันปีกี่ชั่วโมงนะ สชั่วโมงเองอัอลลอฮฺว่ากว่าวันหนึ่งของอัลลอฮ์มีอยู่สองอายะห์ห้ามืปีกับ 1,000 ปีถ้าหนึ่งพปีวันหนึ่งของอัลลอฮ์เราอยู่บนโลกดุนยานี้แค่สองชั่วโมงประมาณ80สปีอัลลอฮ์แค่อีกแค่สองชั่วโมงเนี่ยตกนรกอะ่ะใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาแค่สองชั่วโมงเนี่ปล่อยให้ตกนรกทําไมพี่น้องอ่ะถ้าคิด ห้าหมื่นปีสองนาทีครึ่งแกล้งแกล้แกล้แค่แแแแแนี้เองเอา้าวผมว่าเอานับพันปีดีกว่ามันสองชั่วโมงบอกโลเออัดตวอัดแล้วก็อายุคนเท่าไหร่ยังเต็มที่กับประมาณ 70-80 สิบแปดสิอา้าวผมกลับมาเยี่ยมปจารญ์ปยาตอนกลางคืนออกจากปราชญ์ประมาณ11บเอโมงครึง่งกลางคืนน่ย พอออกมาได้หน่อยมีคนโทรศัพท์ไปอาจารย์พ่อผมเสียอายุเก้าสิบผม่าอยู่อยู่ที่ไหนอะ่ะอยู่คู่ผมก็ต้องมาเยี่ยมมาไม่ยิดอยู่ที่มสัสยิดแล้วก็พ่อเนี่ยสั่งลูกว่าให้ใหใหอาชัยเอาฉันเนี่ยมาฝังที่กูโบของเคส น, นะาแต่ลูกเอาไว้ที่นั่นแหละตลอดไปทองอายุ 90. เก้าสิบหลม ผมก็ไปนั่งอยู่ที่มัสยิดนะ่ะชั่วโมงกว่าไม่มีใครมีลูกคนสองคนสามคนนั่งเฝ้ามายิดพ่อนะรอที่จะนมาฎมื้อวานนี่สิตอนบ่ายสองโมงอาจาเบนมาฎสิบเ็ดโมงใช่ไหมคนนี้นมาฎบ่ายสองโมงนะครับรู้จักพวกเราดีเขาติดตามเป็นซุนน่านะนะรอวลาอืมไม่เป็นไรทุกคนต้องตายหมดผมสงสารใลยไปนั่ง จะของชื่อบังมานัสอยังอานัสบังนัดมนัทมนัทก็เป็รานอาหารนะอารเบียสมัยก่อนที่อยู่แถวซอยนั้นนะครับบังบังมานัทนะครั บ, บ, บ, นะรบเอาไม่เป็นไรทีนี้สุมมาอินกุมบาดาลิกะละาลามยิตุแล้วหลังจากเป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้วเป็นลำดับอย่างมหาศา์หลังจากนั้นสู่เจ้าต้องตายแน่แน่อิน บ่านดาจาดีกาแตไม่ ย, ยตูเนี่ยสูงเจ้าจะต้องตายแน่ๆนี่เป็นคำยืนยันว่าทุกคนต้องตายหมดทีนี้พูดทุกเรื่องตายนะครับจนกว่าจะหมดจะหมดเวลาคนตายให้ทำสี่ข้อข้อที่หนึ่งให้กูซุลนให้อาบน้ำข้อที่สองให้หอ่อเขาเรียกว่ากาฝันข้อที่สามให้ซอลาให้นามาตนามาตมาถึงขอดุอาให้คนตาย อันที่สี่อัดดาฟันแปลว่าฝังนี่เป็นสุนัขนบีให้ทำให้ให้ทำสี่ข้อนะครับหนึ่งอาบนา้ำแต่ที่คนที่อาบน้ํา ม, ม่ยิดเนี่ยผู้ชายอาบให้ผู้ชายนอกจากสามีภรรยาเขาสั่งกันไว้นะครับถ้าสามีตายภรรยาอาบให้ได้ไหมได้ถ้าเขาสั่งสั่งกันไว้หรือว่าภรรยาตายสามีอาบให้ได้ไหมได้ฉะนั้นผู้หญิงตายผู้ชายไปอาบให้ไม่ได้นอกจากเป็นสามีภรรยากัน นะครับแล้วก็อย่าอาบเยอะพวกเราเนี่ยอลอกว่าจะห้ามจนนี่ห้ามไปเยอะแล้วนะบอกกันคนตายอาบน้ำกันสี่ห้าคนแล้วคนยืนดูยี่สิบเข้าอายนะเอาเราเนี่ยมียืนดูกันห้าคนอาบน้ำได้ไหมจะถูตรงไหนก็มาได้อ น, นี่ก็มองอั น, นี้ยืนมองแค่นั้นอย่าไปมองคนอาบน้ำไม่ยิดอย่าไปมองไม่ยิดให้เกียรติปิดเอาไว้มันมิดชิด ให้คนอา่าน่สองสามคนสี่คนพอแล้วคนดืนอย่าอย่าอย่าไปยืนมองเอาอถ้าจะยืนมองกรสาธิกกันก่อนตายเนี่ยเอาอ่านน้ามายิดทำไงอ่านสอนกันในโรงเรียนให้ครูมาสอนใช่ไมฝึกกันก่อนตายอ่านน้ากันก่อนตายไม่ใช่ใตายจริงๆพี่น้องนะทีนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนซุมมาอามาตาหูฝ่อัคบารอในคุณอานนะตายแล้วต้องอยู่ไหนกูโบ ชีวิตในกูโบภาพในกูโบเป็นน้องผมอ่นานฮะดิษล้วคนลุกกลัวเลยนะ่ะนบีสอนอย่างนี้เป็นฮะดิษของอิหมามนะครับอ่าอิหมามะไรเลยมาแล้วมารอไอตูมังซอร์นก็ตูอิลลกอบรออัฟรออมินหนฮะดิษไม่แปลกับพวกเราก็แมงไม่รู้ความหมายนะฉันไม่เห็นภาพอะไรทินนบีพูดนะ ฉันไม่เห็นภาพอะไรที่น่าหวาดเสียวน่าหวาดกลัวมากเท่ากับภาพของคนที่นอนอยู่ในกูโบของเขาฉันไม่เห็นภาพอะไรที่น่ากลัวน่าเกลียดหน้าหาวาดเสียวหน้าทรมานมากกว่าภาพของคนที่นอนอยู่ในกูโบของเขาอ๋อไปน้องพระัมภีร์อ่านคําอธิบายแล้วขนลุกหมดเลยไปน้องนบีพูดเองนะ ภาพบนดุนยาฉันเห็นแล้วไม่มีอะไรที่หน้าหน้าว่าเสียวเลยแต่ภาพที่หน้าว่าเสียวมากที่สุดก็คือภาพของคนที่นอนอยู่ในกูโบของเขาอรรถพี่น้องครับในอุสเบิลาขอดูอาราตอลอย่าให้ถูกลงโทษ ด, ดูในกูโบเลยอ่ะทีนี้ภาพในกูโบหนึ่งนอนคนเดียวสองสว่างหรือมืดนึกออกเลยมืดนอนคนเดียว ออนไลน์พื่น้ อ, นองแล้วก็บ้านดินใช่ไม่ใช่บ้านหนอนใช่ไม่ใช่นึกภาพได้เยอะไปหมดเลยอะ่ะนอนอยู่เราคนเดียอยู่ในกูโบไปตลองภาพกูโบที่ภาพน่ากลัวที่สุดน่ะมีมุสลิมายู่คนโทรศัพท์พคุยกับผมฉันนี่กลัวมากเลยฉันกลัวจริงๆ ก, กลัวกูโบมากเลยแค่นั้นใครที่กลัวว่าจะถูกลงโทษในสุสานให้ทําช็งเห็สิบข้อดังต่อไปนี้ เอาเรื่องงานง่ายๆก่อนะ16ข้อก่อ น, นเป็นน้องข้อที่หนึ่งให้เรียนรู้เรื่องอิมานตอนนี้แหละเรียนอีมานไปเลยอีมานหข้ออย่าเรียนให้หมดอย่าลืมไม่ใช่หข้อนะอีมานมีทั้งหมดเท่าไรนะ70กว่ารายการต้องเรียนรู้เรื่องอีมานก่อนตายเป็นน้องครับเรื่องที่หนึ่งเรียนอีมานเสร็จแล้วต่อมาเรื่องที่สองให้นามาตให้ครบวันละ5เวลาอย่าให้ขาด นี่เป็นคติคตภาษาอุรียกวั า, าดุสัฟัดเป็นสเสบียงสําหรับเอาไว้เดินทางผิดต้องสัเกตแต่พวกเราเดินทางน่ะช า, ชายรถชายรถไฟต้องมีอาหารใช่ไหมเตรียมสเสบียงเดินทางไปต่างจังหวัดเตรียมสเสบียงไหมอรรถมีเนื้อทอดข้าวเหนียวเตรียมไว้เลยน่ะสำหรับเดินทางน่ะแต่เดินทางไปหาอรรถน่ะเตรียมหรือเปล่า หนึ่งเตรียมอีมานสองเตรียมนามาตสามเตรียมอะกาศพระพูดเรื่องอากาศสีาาศข้อนะมีอากาศมีสตอกกมีฮ ادي ยามีวกัฟเตรียมสีข้อนี้ให้ดีก่อนตายข้อที่สถือศีออลอดอัลลอฮ์พี่น้องถือศีลอดข้อที่สีไปทำฮัจญ์ฮัจญ์ทำกี่ครัง้งครั้งเดียวพอแล้วแต่อุตรอดทำานหลังค่ายได้ไหมได้คนฉลาก็ทําอุตรอดเดือน เดือนนะเดือนรอมฎอนผลบุญเท่ากับหัจีพี่น้องเราต้องฉลานะ้าเราอ่านฮัจีส์นะพี่น้องฉะนั้นอย่าไปหัจีไปครั้งเดียวพอแล้วว่าแบ่งกับชาวบ้านเขาอื่นก็ไปบ้างแต่อุ้มร้อนนะ่ะไปเถอะไปเดือนไหนดีที่สุดไปเดือนรอมฎอนผลบุญเท่ากับทำฮัจีอัลฮัมดุลิลลาข้อที่ห้าทำอุ้มระอนข้อที่หกอ่านอัลกุรอานเนี่ย นั nt, ่งอ่านก้นอัานกูอานสม่ำเสมอช่วยได้ที่กูโบที่พ่ออย่างยิ่งสุราไห่นี่อ่านกูอานพี่น้องอ่านเยอะๆช่วยเราได้ที่ไหนที่กูโบอัลฮัมดุลิลลาฮิมิซาดุสสาฟต์เป็นเสบียงการเดินทางสู่อาคิริลทั้งหมดต่อมาครับ ข้อท um. ี่เจิกรุนละกับขอดูอาขอดูอากับเกถึงอัลล์เยอะๆพี่น้องดูอาตัวนี้ดีที่สุดรับบะนาอัตนาฟิล dunya hasana وفِل أَخِيرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا ع َ ذ ن َ ا فِي رَقْعَةٍ َ ا ل ْ م َ ل َ ا ئ َِ ة ِ و ا ل ْ م َ ل ِ ك َ ة ُ مَعَ ا َ ل َ ا َ ة ِ و َ ا ل َ ل َ ا ئ َ ا ل َْ ل ا ئ ِ ك َ ة ِ و َ ا ل ْ م َ ل َََُْ ا َََ ا م ع ل ِ โออัลลอฮฺโปรดประทานริสกีของท่านอันกว้างขวางให้แก่ฉันตอนที่ฉันใกล้จะตายผมกลัวตอนที่อายุแก่ๆนี่นะก่อนที่บินญาณจะออกจะลากนะโอ้อัลลอฮฺประทานริสกีที่กว้างขวางของท่านให้แกบ่าวของพระองค์โดยเถิอัลลอฮฺเป็น้นแล้วขออีกวักหนึ่งตื่นนมาสซุโบตอนกลางคืนใช่ไหมยังมีเวลาอีกสิบนาทีจะนมา อาานี่น้องนั่งสิกิตึงอัลลอฮ์มยวันึ่นะครับอัลลอฮุมะอินีอาอูบิกะมินดีกิดุนยาวดียามินตียามตัวนี้ขอเยอะๆเป็นน้องพ น, งพนบิษนี่ขอฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอ์ให้พ้นจากความคับแคบของโลกดุนยาจลกความคับแคบของโลกอาคิรอนน้องอ่นานได้ว่าไหมนะเอาต่อมาครับข้อที่เก้าให้ทานมาสุนั เอารอให้ทํานามาสุนัตเนี่ยสุนัขเราวาติบเนี่พี่น้องมุอักกัดเนี่ยทำให้เยอะๆอย่าทําเกินอับีลุลละก่อนซูโบสองรากรัต ก, ก่อนซุฮอดมันมีสองกับ4เลือกเอาขี้เกียจกับสองขยันน้อยกับสใช่ไหมหลังนามาดบายอีกสองหลังมาริบอีกสองหลังนามาดอิชาเอก2แล้วก็ทหารยศรักษาพี่น้องรักษาเถอะอายุก็แก่แล้ว60แล้วใช่ไหม ยังไปเต้นฉิงฉักอ่บนรถทัวร์อีกหรอพี่น้องเริ่มได้แล้วนะต่อมาครับเชื่อฟังปฏิบัติตามพ่อแม่โอ้เนี่พ่อแม่สั่งอะไรเด็กศาสนาประถามต้องเชื่อฟังพ่อแม่นะนี่ล ะ, สะเสบียงอดไรน ะ, สะเสบียงวันอาคือหรข้อที่สิบอดติดต่อกับเครือญาติผมจะพูดยังไปยังมาเครือญาติมีเท่าไหร่หนึ่งพ่อแม่ ลูกผู้ชายลูกผู้หญิงญาติฝ่ายพ่อญาติฝ่ายแม่แล้วก็ลูกเขยลูกสะพ้ยพ่อตาแม่ยายฉะนั้นเองต่อมาครับเลี้ยงดูเด็กกำพร้าด้วยอัลลอฮฺอาคุบัดข้าจะดูดูเด็กกำพร้าต้องอบรมดีๆใหญ่ป้าตี้อบรมเรียกมาดีๆอัลลอฮฺนะให้เงินให้อาหารให้เสือ้อผ้าให้อะไรนะัน่นเงินเดือนให้พอกเก็ตมันนี่ให้ค่ า, ชาใช้จ่ายการเรียนดูแลเด็กกำพร้า ให้จบเป็น ญ, ญาตรีอย่างน้อยนะต่อมาครับดูแลเลี้ยงดูแม่ไม้ไอ้แม่ไม้เนี่ยเยอะนะผมไปที่สันติชนผมถามว่ามีตั๋วจัวทาทบุญรอให้เฉพาะแม่ไม้แล้วไปหาไปหามารอมเอาเองให้ยกมือยกเกือบหมดนะ่ะผู้หญิงที่นั่งอยู่สันติชนเกือบหมดนะ่ะเป็นน้องแม่ไม้หมดเลยทีนั่นดูแลแม่ไม้เป็นน้องนะต่อมาข้อที่สิบสี่มีความยุติธรรม อย่ามีสองมาตราฐานในการตัดสินความนี่เป็นเสเบียงโลกอาคริลหมดเลยครับข้อที่15เชิญชวนก่อนให้ทําความดีเนี่ยเชิญลูกชวนภรรยาญาติพี่น้องใกล้ชิดให้ทําความดีข้อที่16พี่น้องห้ามปราล์มยับยั้งคนอย่าให้ทําชั่วพี่น้องนี่เป็นอมันติซอแร่ทั้งหมด16รายการก่อนพี่นอ้องเพระมันทําง่ายๆนะครับแต่ทีนี้ ในคำพีท่านนี่ท่านใครนะท่านอุมัตบินอันตุลอาจีสเป็นสฮาบะคนเป็นอะไรนะคอลิฟาคนที่ห้าท่านขอดูอาท่านกลัวตอนตายเนี่ยก่อนวิญญาณจะออกจากร่างท่านขอดูอาอย่างนี้อัลลอฮุมม่าฮาวินอะลัยยะอะลัลมาดอัลลอฮุมม่าฮาวินอะลัยยะอะลัลมาดโอ้อัลล โปรดให้ความตายของฉันเป็นที่ง่ายดายแก่ฉันด้วยเถิดขอให้ตายง่ายๆอยากให้ตายยากๆเลยเพราะการตายยากนั้นเป็นการทรมานเพราะนบีเองก็ขออัลลอฮุมะฮ์วินอาลัยฟีสักกรอดิลมาอัลลอฮ์ให้ฉันตายแบบง่ายๆใหญ่มีการทรมานก่อนตายเลยนบีกลัวครับใช่พี่น้องโอ้เนี่ยก่อนตายอันตรายที่สุดน่ะ อ๋อเหรพี่น้องเอาต่อมาครับพอตายเสร็จแล้วพี่น้องอัลลอฮ์ถามที่กูโบถามกี่ข้อนะเตือนเตือ น, นความจำพี่น้องกี่ข้อนะสามข้อถามว่าไงครับมารอบบูกะมันณบียูกะมัณีมามูกะอัลลอ์ถามสามข้อพี่น้องมารอบบูกะใครเป็นพระผู้อภิบาลของท่าน มันนบียกะใครเป็นนบีของท่านมันอิมามุกะใครเป็นอิหมามคนเขาว่าอิหมา ม, มันจะอิหมามนำนามาที่นี่มาถึงก็ได้อัลกุรอานเป็นเป็นอิหมามของฉันพี่น้องคนที่ตายเนี่ยอยู่ในกูโบเนี่ยพี่นอ้องอย่าคิดว่าเขาอยู่เฉยเฉยนะเขามีปิติกิริยามีอาการอยู่สิบรายกาเนี่เป็นความรู้นะ คนตายนอนอยู่ในกุโบนั้นมีอาการสิบรายการพี่น้องข้อที่หนึ่งคนที่ตายนะครับพอจับใส่ลงปับ๊บพอจับใส่ลงปับ๊บพี่น้องคนดีๆเขาพูดอย่างนี้ก็ดีมู้นีก็ดีมู้นีโปรดพาฉันไปไวๆโปรดพาฉันไปไวๆนี่ภาพที่หนึ่งคนตายพูดได้เห็นไหมข้อที่สองคนข้อที่หนึ่ง สำหรับคนชั่วที่ตายคนที่ไม่มีอิมานไม่มีศาสนาตอนตายพอจับใส่ลงปั๊บว่าไงรู้ไหม ย, ายะาไวลาหาไอหนตัตสาบุญความวิบัติเอ๋ยจะพาฉันไปไหนความวิบัติความฉิบหายนะแปล ง, ง่ายหน่อยนะความฉิบหายเอ๋ยมันจะพาฉันไปไหนนี่ภาษาของคนตายของคนชั่วพอจับใส่ลงปั๊บตะโกเลยครับพี่น้อง ทุสิ่งทุอย่างจะยินหมดยกเว้นยินกับมนุษย์ไม่ได้ยินเสียงคนตายครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองพี่น้องเรื่องที่สองคนตายสามารถได้ยินเสียงได้หไหมได้ยินเสียงคลายกับคนที่เดินอยู่ในบนบนนะบนกูโบเสียงรองเท้าของขาคนตายได้ยินครับพี่น้องเห็นยังครับที่อยมามลิมนะ ได้ยินคนตายได้ยินเสียงรองเท้าของคนเดินอยู่บนอุโบนนะครับเรื่องที่สามคนตายสามารถมองเห็นได้เห็นอะไรครับเมื่อถูกสอบแล้วพี่น้องอลัยกมาสอบสามข้อแล้วนะเมื่อสอบเสร็จแล้วนะั้นถ้าเป็นคนดีมีอ ي มานอัลลอฮจะให้เขาเห็นนรกก่อนพอเห็นนรกเสร็จแล้วให้เห็นสวรรค์ก็จะมีเสียงพูดบอกว่ า, วานรกนะ่ะอัลลอเปลี่ยนไปแล้ว สวรรค์มาแทนนอนอยู่ในกูโบสามารถเห็นภาพสวรรค์นะ่ะถาว่าเชินใจไหมล่ะอลัลลอฮ์ท่านที่อยู่ของฉันนะ่ะสำหรับคนชั่วคนไม่เอาศาสนาไม่มีอิมานต่ออัลลอฮ์พี่นอ้องอัลลอฮ์ให้เห็นสวรรค์ก่อนพอเห็นปั๊บเปลี่ยนเห็นภาพนรกนี่เป็นที่อยู่ของคุณตลอดไปนี่ไงเห็นไหมเห็นครับนี่ข้อที่สมข้อที่สี่นะครับพี่น้องคนตายสามารถลุกขึ้นและนั่งได้ด้วย อันนี้นะ่ากลัวมากนะครับสามารถลุกขึ้นและนั่งได้ด้วยลุกด้วยนั่งด้วยพี่น้องเมื่อตอนมาลาอิกามาสอบพี่น้องครับนาเกียตมุงการมาสอบนะมาลาอิกาจะสองท่านนี้จะจับให้คนตายเนี่ยลุกขึ้นนั่งนี่ภาพพี่น้องนึกภาพจะนั่งยังไงล่ะกูโบมันแค่นี้เองอย่าไปนึกงานของอรรท์ทั้งหมดเลยพี่น้องเรานั่งอยู่ในกูโบนะพี่น้อง สำหรับคนดีจะพูดอย่างนี้เนี่ยคนตายลุกขึ้นนั่งแล้วพูดได้ด้วยนะพูดอย่างนี้มาลาอีกานากียมติมงคลอย่าเพิ่งสอบฉันอย่าเพิ่งสอบฉันเนี่ยเป็นเวลาอาซัชจะหมดแล้วฉันข อ, อนามาดก่อนพี่น้องคนอยู่ในกุโบนะภาพเวลาตอนที่มาลาอีกะมาสอบนะั้นเหมือนกับตะวันก้า จ, จะตกดินโพเพโพเพโพเโพเพี่น้อง คนที่ไปต่างจังหวัดจากบ้านานานๆตอนเด็กๆเนี่ยจะร้องไห้ตอนไหนตอนโพเพตตอตะวันจะตกนั่นแหละพี่น้องเราเองก็เหมือนกันโพเพโพเพตเนี่ยอุลมามะอธิบายนาบีอธิบายพี่น้องฉะนั้นอยากจะซึมเศร้าไปมัวอย่าคิดถึงบ้า น, นาอโลอักบัสพอมาเิกามาถามอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคนที่เป็นมุมลินจะนึกถึงนมาดใช่ไหม อยู่บนดุนยานี้จะคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่แต่คนที่นอนอยู่ในกูโบจะนึกถึงนมาศตลอดมาเลกาอย่าเพิ่งถามอาจารทั้งของนมาศก่อนหยุดก่อนนั่นน่ะเทียงกับมาเลกาได้ด้วยดีไมด่ดีดีครับแค่นั้นรนักษานามาศอยให้ขาดไปน้องแล้วโต้กับมาเลกาได้ว่าอย่าเพิ่งสอบอันได้มันทั้งของนามาศก่อนนี่ใครเล่านะนะดีเล่าเป็นเรื่องจริงครับเบอร์เเรื่องนิยายนะพี่น้องเอาต่อมาครับข้อที่ห้าพี่น้อง คนตายมีความรู้สึกโอ้โหรู้สึกเมื่อตอนถูกทรมานรู้สึกไหมรู้สึกครับเจ็บปวดทรมานที่สุดนั่นเห็นไหมนี่ภาพนี้นเะบลุชันไม่เห็นภาพไหนที่น่ากลัวเท่ากับภาพของคนที่นอนอยู่ในกูโบมีความรู้สึกกลัวแล้วก็เจ็บเจ็บปวดพี่น้องนะ มีความรู้สึกไหมรู้สึกหวาดกลัวทรมานเจ็บปวดอโลพี่น้องเอาต่อมาข้อที่หคนตายมีความหวังและมีความอยากด้วยพี่น้องมีความหวังและมีความอยากหรือไม่อยากก็ได้ครับคนตายที่เป็นมุมินคนตายที่มีอีมานที่มีอามันที่ซอนได้มีซา ด, ดุสฟาดมีสเสบียงสเสบียงเดินทางในสิบหกข้อเนี่ยเตรียมเตรียมไว้ดี พอตายภา พ, พถูกสอบสวนจากมาเลกาเรียบร้อยอยากกลับบ้านอยากกลับอยากกลับมาบอกที่บ้านว่าฉันสบายแล้วบิมากราฟรารีรับบีวาเจลนีมินัลมุครอมินฉันเนี่ยอยู่สบายแล้วอัลลอฮอภัยโทษไม่มีการลงโทษใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮให้เกียรฉันยกย่องฉันอยากจะกลับขึ้นมาบอกคนที่บ้านว่าไม่ต้องเป็นทุกข์เรื่องของฉัน เอ็นเป็นห่วงเรื่องลูกๆก็แล้วกันอย่าให้มันทะเลาะกันอย่าให้ขาดนามาดอยากขึ้นมาบอกแต่มาได้ไหมเนี่ยพวกเราถูหลอกกันนะวิญญาณมาเที่ยวบ้านวันศุกร์อหอต้องทาบุญกันไปน้องรู้เปล่าคนตายนะไม่กินอาหารดุนยาแล้วเขากินอาหารอาครห์อาหารดุนยาเขาไม่เอาแล้วเข้ามกเข้าเตี้ยวกิดทำไมนูน่นอาหารอาคริลนีน่ อ, าาอัลลอฮ์ส่งให้ ไม่ใช่ไปจากกทมนะมาจากอาคิร่ลอาหารนะ่ะออลลอฮฺไปน้องพราะนอนเห็นภาพสวรรค์กินหอมของสวนสวรรค์ก็มาอาหารก็มาอาหารแบบตามสายเขาได้ไปน้องออลลอฮฺไปน้องเราไม่รู้ว่าภาพยังไงแต่ออลลอฮฺเล่าไม่ฟังนบีลเล่าไม้ฟังว่าได้อาหารได้ริสกีมาจากสวนสวรรค์ไม่ใช่ไปจากกทมไม่ใ ช, ใช่ต่อมาครับ แล้วก็คนที่มีอามันจือซอแลงนอนตาอยู่ในกุโบเขาพูดพูดได้อีกมีความหวังด้วยมีความอยากอีกพูดวังไงใช่ไหมร็อบบีอาร์ิซ่าโอ อ, อัลลอ์พอเห็นสวรรค์แล้วนะให้วันกิยามัดมาไวๆไวเถอะคนนอนอยู่ในใต้ดินขอดุอายไม่เหมือนเราเราอยู่บนดินนี่อย่าให้มาเลยวันกิยามัดนะอยู่ไปก่อน ยังมาเรียนเตาบ้าเลยแต่คนที่อยู่ใต้ดินขออุทิศสวนทางกับเราอย่าเอาลอให้กิยามัดเกิดไวๆเห็นไหมนี่ถ้าอัลลอฮ์รับดุทิศของคนใต้ดินเราเสร็จเดี <c oughs> ๋ยวนี้ AH อัลลอฮ์จะรับเมตตาขอดุทิศของเราอยู่อัลลอฮ์อยากให้อย่าเพิ่งเกิดวันกิยามัดเลยแต่จะได้เตาบ้าตัวกับเนื้อกับตัวมาเรียนาศาสนาเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่คนที่อยู่ใต้ดินว่าไงนะรอม บ, บิอาคิมิสซ่า อัลลอฮฺจ๋าจให้กิยามัดมาไวๆเถอะฉันอยากไปอยู่ในสวนสวรรค์ของฉันนั่นความอยากของคนตายนะครับพี่น้องต่อมาครับคนกาเฟ่ใส่ชื่อว่าคนกาเฟ่คนฝังกระนุนนะนะขอร่วมขอเหมือนกันมีความหวังเหมือนกันรอบบีลาตะกุมอัซะอัะอลลอฮฺจ๋าจอย่าให้มีวันกิยามัดไวๆเลยรออย่างงี้ละดีแล้วถูกลงโทษหน่อยไม่หนัก ถ้าไปเยอะฟื้นขึ้นมาถูกลงโทษหนักวันนี้อีกยองนี้ฉันพอทนได้ตลร้องว่าหวังไม่เหมือนกันนะอะต่อมาข้อที่เจ็เป็นปนองคนตายมีอาการนอนหลับสนิทบางคนนอนไม่หลับเลยสะดุ้งทุกคืนเอาอยัางไงเอานอนสลับสนิทหรือว่านอนแบบสะดุ้งก็มีอยู่สองสองท่า นอนหลับสนิทก็คือคนที่เป็นมุมินนอนอยู่ในกูโบสลับสนิทพี่น้องเหมือนกับแต่งงานใหม่ๆเพียลับไม่รู้เรื่องเลยผ่านจะเบาแล้วใช่ไหมอาชีวิตผ่านมาแล้วจะเบาะนะผ่านมาแล้วรู้หลับนิบเลยกินอิ่มแล้วหลับเลยพี่น้องคนในกูโบก็เหมือนกันคนที่เป็นมุมินส่วนคนที่คนฝังคะนูน้นพี่น้องนอนไม่หลับตกกระจายทุกคืน อ้าวพี่น้องเคยไหมที่นอนไม่หลับผมเคยแล้วอ๋อพี่น้องทรมานสุดๆเลยอ่านดุอาบทนี่ก่อไม่ลับบทนั่นก่อไม่ลับต้องนำมาตาหัยุทธดถึงหลับสังเกต น, นะสังเกตออาต่อมาครับพี่น้ อ, นองข้อที่8ดคนตายจำได้เนมนี่เป็นหัตย์ยึดทั้งหมดนะคนตายจาได้แล้วก็สามารถอะไรนะได้กินได้ด้วย นอนอยู่ในกุโบไปน้องได้กลิ่นเหม็นแล้วก็ได้กลิ่นหอมมีอยู่สองกลิ่นด้วยกันอ้าวคนจะได้กลิ่นกลิ่นหอมคนแบบไหนครับอามาลุนซอและคนที่มีอีมาแล้วมีอามันติซอและจะได้กลิ่นหวามหอมมาจากไหนครับไม่ใช่ไปจากเมืองไทยไม่ใช่ไปจากมาเลเซียแต่มาจากไหนมาจากสวนสวรรค์กันนั้นอย่าไปส่งอาหารจากประเทศไทยไปเลยไปน้องคนตายกขาไม่เอาด้วยเขาเอาดูอาอย่างเดียวนะต่อมาครับ คนคนฟังกัโน้นได้กลิ่นเหม็นตลอดไปน้องนี่อ่ะได้กลิ่นนะครับต่อมาครับข้อที่เก้าคนตายนะครับร้องเสียงดังตะโกนได้ด้วยอา้าวคนที่จะร้องตะโกนเสียงดังคนประเภทไหนครับก็คือคนที่ถูกคอนตบข้างๆเนี่ยปลิ้งข้างข้างหูเนี่ยตะโกนทำ ไ, ไมตะโกนโอ้ ตีฉันทําไมที่เจ็บโอ้ยนั่นเป็นภาพของคนนอนอยู่ในกูโบพี่น้องร้องด้วยเสียงตะโกนที่น่ากลัวที่สุดคนละยินไม่ได้ยินเสียงนอกจากสิ่งอื่นได้ยินหมดนะครับนอกจากยินกับมนุษย์ไม่ได้ยินเสียงร้องตะโกนเสียงควรวญครางของคนอยู่ในนอนอยู่ในกูโบน บ, บีผู้ว่าฉันไม่เคยเห็นภาพอะไรที่ทรมานที่สุดเม่าเท่ากับภาพของคนอยู่ในสุสานของเขา ต่อมาข้อข้อสุดท้ายข้อที่สิพี่น้องคนตายมีชีวิตอยู่ในสุสานกินและดื่มแบบสบายๆคนประเภทไหนครับคนที่ตายเฉยคุณอ่านตรงไหนครับวะดาตัซาบันนัลรีนักูติลูฟีซาบิลิลาฮิอัมวาตาบัลอะฮิยาอุนไนดารอบบิฮิมยูรุจาคุนพี่น้อง ใช้เวลาเกินมา15นาทีครับสุบห้านาทัลลอฮุมมาบอกอย่าหััอะออันจากอัสตฟรกบะตูบอิอสลามาลกุมุลาะตุลลอฮวบรกตู